บุญคุณกับพี่น้องแบ่งบุญจากพี่น้องจากชาวบ้านดีไหมเนี่ยก็เลยป๋ารบกันขึ้นมาเราจะมีของมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนทุกปีที่ผ่านมาปีนี้ก็คงจะมีการแจกเหมือนกันนะมีข้าวสารน้ำตาล น, น้ำปลาน้ำมันพืชสี่รายการแต่ก็ไม่มาก เป็นเพียงน้ําใจของพี่น้องประชาชนแต่ทั้งหมดก็ทั้ง4หมู่บ้านก็เป็นทั้งหมด6หมู่บ้านไม่ใช่เพราะว่าหมู่บ้านนี้เขาแบ่ง เ, เขาแบ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จเป็น6หมู่บ้านนะรวมกันแล้ว911หมู่บ้านเก้ารหมู่บ้านหลวงพ่อเลยถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหรล่ล่ะป อ, อขนาดของเล็กๆน้อยๆเท่า น, นะกนะัชธายาจม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 ที่เอ็มพเป็นเล่มออกมาก็จะแจกวันพุ่งนี้แหะจะแจกวันพุ่งพุ่งนี้แล้วก็จะมี MP3 10แผ่นถ้าว่าผู้ใดยังดังยังได้นะยังสนใจแล้วก็มารับได้วันพุ่งนี้ MP3 10แผ่นหลวงพ่อเทศต่างกลําต่างวาระตั้งแต่เดือน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 ทำมาให้สำหรับใส่แจกให้พี่น้องลูกหลานอีกวันพรุ่งนี้จะเป็นของซ้ำซรวยสำหรับแจกพี่น้องประชาชนที่มาในวันพรุ่งนี้และก็พร้อมกันขอประกาศให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานเนาั้งอยู่ในละแวกนี้หรือว่าผู้ได้ยินเสียงพูดต่อๆกันด้วยวันพรุ่งนี้หลวงพ่อเลี้ยงเต็มที่ เลี้ยงกลวยเตี้ยวนะไม่รู้กลวยเตี้ยวไม่รู้โ ก, โกโก้โกาแฟอะไรก็ไม่รู้ละอมามาเลือกดื่มเลือกทานได้เลยเทั้งหมดหลวงพ่อทราบทราบมาว่าโรงทานของหลวงพ่อที่คณะรัตย า, าญาติโยมแสดงความจำนงมาตั้งโรงทานนะ่ทั้งหมดที่หลวงพ่อทราบเมื่อวานนะแต่วันนี้ยังพระก็ยังไม่ได้รายงานหลวงพ่อบอกว่าโรงทานทั้งหมด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 แต่ว่าเมื่อช่วงหลังๆก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาน้อยนึงคือยางราคามันแพงขึ้นมาใช่ไหมแต่ทุกวันยางราคาตกเนี่ยพี่น้องชาวอำเภอนายูงน้ําสวมกับคอตกไปด้วยเหมือนกันนะพอพอเห็นว่ารายได้ที่เคยได้มาก็ย่าแย่พอสมควรเพราะนั้นวันพรุ่งนี้แหละพี่น้องลูกหลานในถิ่นนี้เหลวงพ่อจะเลี้ยงอาหาร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 อันนี้เกิดนี่แหละโรคอหิวาตะกระโรคเนี่ยโรคตายห่านอะากนั้นคนในเมืองก็แตกหนีไงนะแต่เขาคือคนสมัยนั้นเขาจะไม่ได้ห่วงบ้านนะถ้ามีโรคตายหา่าขึ้นมาเขารีบหนีต่างคนต่างหนีไปคนละทิศทางกันทําไมืหรมันตายจริงๆตอนนี้นก็สอบพ่อแม่ลูกมานะเนี่ยมาจนถึงกรุงสาวัตถีไม่ถึงกรุงกรุงอุเชนีไหย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 พ่อเนี่ยจะเป็นพ่อให้ให้ลูกเลยนะลูกนะมาอยู่กับพ่อน่นพราเด็กไม่มีที่พึ่งก็ต้องมาอยู่กับพ่อครัวอะไรท่นี่นี่แหละ น, นี่แหละประวัติคือคือนางสามาวดีจากนั้นก็นางเนี่ยเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วท่านี่เป็นโยนพิมีปัญญามาอยู่กับพ่อมาช่วยอาหารทําโรงทานกับพ่อท่านนี้คนทั้งหลายเวลาเข้ามารับอาหารมันแย่งกันใช่ไ คนนั้นเอานี่คนนี้เอานั้นเสียงอดร โ, โรเฮโรแท้เลยนางสามาวดีนะบอกว่าพอ่อน่าจะทําเป็นซองเข้ามาทําเป็นคิวเข้ามาทําเป็นลัวเข้ามาเดินเข้ามาทีละคนละคนไม่ดีกว่าหรออรมันแล้วเราให้ให้ให้ไปแล้วมันจะเร็วกว่าอันนี้มันแย่งกันอย่างนี้กว่าจะจะให้ใครต่ใครนะมันมันสับส น, นวุ่นวายอดรโรอีกต่างหาก อย่างทั้งพ่อเออชายไเขาก็เลยทำรั้วเท่นี่เป็นซองเข้าไปเข้าไปตามซองเนะ่เข้าไปก็ให้ไปให้ผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปคนมันก็เงียบเลยเท่นี่เออไม่มีเสียงเนะ่ยเออเพราะมันมันไม่ได้แย่งกันฮนะแ อ, อทางทางเศรษฐีนอนอยู่ในบ้านนะี่เ อ, อพ่อครัวเนะี่ยมันไม่ทามันไม่ตั้งโลงทานเอแต่ก่อนนะเ อ, อได้ยินหน้านี่ประมาณสักเจ็ดแปดโมงเสียงสนันวันไหว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 การสร้างโรงทานการทำโรงทานทำไมการเสียสละลงไปแล้วทำไมคนจึงตั้งโรงทานเออได้ยินหลวงพอ่อได้ยินมากต่อมากเพราะว่าเมื่อเราไปตั้งโรงทานไปทำบุญทำทานตั้งโรงทานเนี่ยเราเห็นคนมารับทานแล้วมาคนมารับของไถ่ทานของเราเออเขาแย่งเขาเรียงคิวเข้ามาเออบางทีกับเหงื่อตกอยาเหงื่อออกเออเขามามารับเราก็ให้ไปในขณะที่ให้เนี่ย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 ปุญญานิประโรกัจสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรพพสัตทางหลายทางโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยแหละทางโลกนี้ก็มีความสุขถ้าคนทำคุณงามความดีไปนัดสถานที่ใดคนก็ยกย่องเฉิดชูบูชานับหน้าถือตาเพราะอะไรเพราะทาความดีถ้าทำความชั่วไปที่ไหนคนก็รังเกียจเดียดสันไม่อยากจะเข้ามาใกล้ไม่อยากจะมองอีกต่างหาก